ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองนั้นสัตรประปภะปุพะสึกขาและปุพะสึกขาวันน า, นาพระอมราพิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาโรจนาต่อไปก็จะเป็นการพนานาเรื่องของถุลจยาบัตอบัตถุลใจจากพนานาในถุลจยาบัต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 อเวพังขิยานิณวิภชิต บ, บานิตังเคนาวาคเนนวาปุคเลนาวาวิภัตตานิติอวิภัตตานิโหนติโยวิภัชยะอาปฏิทุลชจยสะดังนี้ครุภัณฑ์นั้นมีห้าหมวดดังนี้คืออารามก็คือสวนดอกไม้ผลไม้อย่างหนึง่งอารามวัตถุคือที่ดินพื้นสวน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 นี่ก็คือเสนาชนะที่เป็นเตียงตัางฟูกหมอนแตอย่างนี้เป็นหมวดที่สามต่อไปหมวดที่สี่ก็คือโลหะกุมพีหม้อทําด้วยโลหะโลหะผานักังขนนทําด้วยโลหะโลหะวารโกกระปุกขวดที่ทําด้วยโลหะโตจุของกว่าห้าธนามาคดขึ้นไป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 วันที่หนึ่งสองยางวันที่สองอย่างวันที่สามสี่ยางวันที่สี่เก้ายางวันที่ห้าห 5, ก็แปดยางทั้งหมดรวมยี่สิบ้าสิ่งเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพายกถวายแต่สงก็ดีเกิดในที่สงก็ดีชื่อว่าเป็นของสงเป็นครุพันเป็นอวิจตัญญาก็คือไม่ควรสละเป็นอเวพังทิยะคือไม่ควรแจกอันสงและคณะและบุคคลจะพึงสละและแจกไม่ได้ ถึงสละและแจกไปก็ไม่เป็นอาสละไม่เป็นอันแจกคงเป็นของสงอยู่อย่างเดิมก็ไม่เอามาใช้คืนก็มีโทษเนะดีนะเทก่ตุใดสละหรือแจกของเหล่านี้ด้วยถือว่าตัวเป็นใหญ่ต้องทุนละใจแต่ถือว่าตัวเป็นใหญ่เป็นจเจ้าอาวาสมีสิทธิอำนาจมีต้องอบัตรทุนละใจนหละถ้าเสียสละหรือแจกด้วยทายจิตให้วินัยทอนพึงปรับอาบัติตาม ร, ราคาของนั้น ครุพันเหล่านี้ถ้ากําหนดเห็นว่าทําอย่างนี้จะเป็นอุปการะแต่สงเอาสิ่งที่เป็นของถาวรแลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นของถาวรด้วยกันก็นดีเอาสิ่งนอกนั้นที่เป็นอักบิยะหรือเป็นกัปปิยะแม้มีราคามากแลกเปลี่ยนของนอกนั้นด้วยกันด้วยการแลกเปลี่ยนที่เป็นกัปปิยะก็ดีก็ควรของที่เป็นอักบิยะทั้งหลายนี่ถ้ามีความสามารถให้บุคคลไปแลกเปลี่ยนด้วยกัปปิยะก็ทําให้ถูกต้องก็ควร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 ต้องให้เสมอกันหรือว่าให้ยิ่งกว่าหมอ้อบาตถาละกะก็ะคือพวกถาอะไรพวกนเนี้ยขันทองห้าวกา้ําที่ไม่จุน้ำได้ห้าทนานละคดประดีไม้ป้ายยาตากล้องยานัดไม้แพหูก็คือไม้แพหูนั่นแหละเข็มเย็บผ้าเข็มเย็บใบไม้มีดับเล็กเหล็กแหลมเล็กๆกุญแจดานเป็นต้นเครื่องโลหะประดีเครื่องไม้ปรดีที่ทาค้างอยู่เหล่านี้เป็นของแจกได้ ถทาวันและไม้ไผ่เป็นต้นเมื่อทำการสง์และการเจดีเสร็จแล้วเหลืออยู่จะน้อมเข้าไปในการบุคคลก็ควรซึ่งว่ามานี้สังเขปถ้าประสงค์จะรู้พิสดารพึงดูในจะตุทะสมันตะปาสาธิกานั้นเถิดนี่ก็เป็นเรื่องของของสงนะซึ่งถ้าไปแจกถ้าไปแบ่งก็ต่อบัดถุละใจถือว่าตัวเป็นใหญ่แล้วก็ไปจัดการแจกให้คนอื่นก็บัดทุละใจเหมือนกัน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 ด้วยทงห้ามไว้ว่าณพิกเวสัมบาเทสัทธะกัมมังก็คำละเตสามบาทัศะสมันตาดุวังคุเลสัทธะกัมมังวาวัตถิกัมมังวากาลาเปตะบังโยกาลาเปยัตอาปฏิทุลจยัสสะดังนี้ตัดหรือผ่าหรือแทงหรือขีดโดยสัตว์ตาหรือเข็มหรือหนามใช้ขีดจะใช้เจาะโดยสัตว์ตาเข็มหรือหนามหรือว่ากระทอ้อนศิลา ศิลาคมคมตรงนี้ยหรือเด็ดพอดีอันใดอันหนึ่งในโอกาสที่กําหนดแล้วนั้นอย่างนี้ชื่อว่าทำด้วยว่าการทั้งปวงนั้นชื่อว่าสัตถกรรมทั้งสิ้นสัตถกรรมก็คือผ่านั่นเองแม้บีบหัวไส้ด้วยหนังหรือผ้าอันใดหนึ่งก็อย่าพึงทําด้วยว่าการทั้งปวงนั้นชื่อว่าวัตติกรรมวัติกรรมก็คือการผูกด้วยหนังด้วยผ้าก็แลคําว่าในโอกาสที่เพียงสองนิ้วแต่ที่ใกล้แห่งที่แคบนั้น ห้ามแต่สัตตกรรมอย่างเดียวไม่ห้ามวัตถิกรรมในที่ใกล้สองนิ้วแห่งทวันนะห้ามผ่าตัดเท่านั้นแต่ว่าจะผูกหัวไส้หรือใิษียดวงทวานอนะไรพนี้ก็ใช้ผูกได้วัตถิกรรมห้ามแต่ในที่แคบอย่างเดียวเอาวัติกรรมนี้ห้ามในที่แคบเท่านั้นนะในที่บริเวณโอกาสสองนิ้วนี้ทําได้ก็<ๆ>แต่ว่าที่สุดจะหยอดน้ําแสบน้ําด่างในหัวไส้นั้นหรือจะเอาเชือกอันใดอันหนึ่งผูกรัดหัวไส้ ก็ควรอยู่ถ้าหากว่าหัวไส้นั้นขาดออกมาด้วยน้แบบําแสบหรือว่าเชือกชื่อว่าขาดด้วยดีไม่มีโทษจะทำศัตริกรรมคือผ่าเจาะในอันทะที่บวมก็คือใข่เนี่ยถ้าไข่เป็นโตเนี่ยนะเป็นโรคอะไรอย่างไงไส้เลื่อด น, นะจะผ่าเจาะในอันทะที่บวมดังนั้นไม่ควรเพราะเหตุนั้นจะผ่าอันทะควักเอาพืชออกเสียด้วยคิดจะทําให้หายโรคเช่นนี้อย่าพึงทํา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 แจกแบ่งครุภัณฑ์ของสงฆ์เป็นอุรถัทุติยอย่างหนึ่งแล้วก็แจกของสงฆ์นี่ถือว่าตัวเป็นใหญ่ก็อุปถัทุติยจอย่างหนึ่งให้เขาทําศัจจกรรมในที่แคบก็คือผ่าเจาะพวกนี้ยเองอุปถัมภ์ทุติยใจแล้วก็ให้เขาทําศัจจกรรมหรือว่าวัตกรรมในโอกาสที่เพียงสองนิ้วในที่แคบก็คือในถวนหนักก็ต้องอุรถัมภ์ทุตยจสี่ข้อนี้เป็นสัจจิกะต่อไปก็คงจะเป็นอจิจักกะข้อหนึ่งที่ตุยาพึงฉันเนื้อมนุษย์ ถ้าฉันเนื้อมนุษย์นี่เป็นอบัตถุนละใจด้วยตรงห้าไว้ว่าณนะพิขเวมนุษะมังสังปริพุณชีตบงังดังนี้ใช่แต่เนื้ออย่างเดียวแม้กระดูกเลือดหนังและขนก็ไม่ควรขนก็ฉันไม่ได้นะผมผมอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นั่นน่ะนะศิขาบทนี้เป็นอาะคิดกาอันหนึ่งถุนลัเจีบัตมีมากไม่ได้ขึ้นปาติโมกุเทศว่าโดยอาคตฐานะ ที่มามีสารสถานคือมาในขันธกะแห่งหนึ่งเรียกชื่อว่าขันธกะทุลใจมาในวินีตะวัตถุแห่งปาราชิกและสังขาริเศษแห่งหนึ่งเรียกว่าวินีตะวัตถุทุลใจมาในวิพังแห่งปาราชิกและสังขาริเศษแห่งหนึ่งเรียกชื่อว่าวิพังคะทุลัจเพราะเหตุนั้นบัญญัติแห่งทุรัจียาบัตจึงไม่มีกําหนดคำว่าทุลัจนั้นก็มา สามที่นะก็คือขันธกะทุรจใจแล้วก็วินีตะวัตุทุระใจแล้วก็วิพังคะทุระใจขันธกะทุระใจนั้นดังนี้ทิสตุยาพึงถือนักชียะติทิยะสมาทานคือข้อปฏิบัติแห่งเดียรถีอย่างหนึ่งเลยายไม่หนุนหฮมหากทิสตุใดปฏิบัติดังนี้ต้องทุระใจ ทิฏฐุอย่าตรงไว้คือว่านุ่งห่มผ้าคากรองอย่าตรงผ้าที่เขากรองถักด้วยเปลือกไม้อย่าตรงผ้าที่เขาทำด้วยปลไม้กรองอย่าตรงผ้ากำพลทำด้วยผมคนอย่าตรงผ้ากำพลทำด้วยขนหางสัตว์อย่าตรงผ้าทำด้วยปีกนกเขาอย่าตรงหนังเสืออย่าตรงผ้าทำด้วยปอผ้าเหล่านี้เป็นธงแห่งเดียรถ์ถีทิกฐุใดตรงผ้าเหล่านี้ต้องทุลัดใจ ข้อหนึ่งภิกษุยปึงถูกต้ององคชาตินิมิตแห่งเดรฉานตัวเมียด้วยจิตกำนัดถ้าถูกต้องเป็นทุนลัดใจข้อหนึ่งวันอุโบสถหรือวันปวารณาภิกษุจเจ้าอาวาสตั้งแต่สี่หรือห้าขึ้นไปรู้อยู่ว่าภิกษุจเจ้าอาวาสเดียกันหรือภิกษุเป็นอ า, าันรุตระอื่นอยู่ในถีมาอันเดียวกันมีอยู่แต่ยังไม่มาสู่โรงอุโบสถโรงปรวารณาเข้าหัตถบาด แรกจะให้เธอเหล่านั้นชิบหายจากอุโบสถจากปรวรณาและด่วนทำอุโบสถหรือปรวรณาเสียก่อนต้องทุนละใจมุ่งความแตกเรานะจะให้ชิบหายเทียก็ต้องบัตรทุนละใจทุนละใจเหล่านี้ก็ดีทุนละใจห้าข้อก่อนก็ดีเป็นขันธกะกุนละใจเป็นขันธกะกุนละใจที่กล่าวมาแล้วห้าข้อแตกต่อไปเป็นวินีตะวัตุทุนละใจ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 อีกกรื่งหนึ่งพี่ถูกเขาคืงกายหญิงที่ตายแล้วก็เกิดความสงสัยจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระเจ้าตรัสขินว่าต้องทุลละใจทุรละใจอย่างนี้ชื่อว่าวิณีตะวัตถุทุรจะใจก็มีอีกมากนะมีหลายเรื่องแหละอย่างนี้ก็วินีตะวัตถุทุรจะใจก็แล้ววิพังฆะทูลละใยนั้นมีหลายอย่างคือเป็นอนุสาวรนะทุลละใจก็มีนะแล้วก็ วิมติถุรจัยวิมติถุรจะใจก็ถุรจัยเพราะว่าสงสัยยะถาสัญญาถุรจัยบ้างยะถาเขตุตาถูดละใบ้างยะถาวัตถุถุรจัยบ้างยะถาประโยคะถุรจะใจบ้างยะถาวัชชะถุรจัยบ้างก็มีถุรจัยหลายอย่างเลยมีทั้งหมดเจ็ดชื่อในวิพังคะถูดละใจนี้เจ็ดชื่อมาด่วนแรกอนุสาวรนถูดละใจนั้น ดังอาบัติธุระใจเพราะสงธรรมสัมนุภาพสน ก, กรรมก็คือสวดประกาศห้ามนั่นแหละสามครั้งรวมทั้งยติด้วยก็เป็นสี่สิบเอ็ดอย่างสงธรรมสัมนุภาพสน ก, กรรมสิบเอ็ดอย่างก็ได้แก่สังขาริเศษแล้วก็ประชิกของภิจุนีพิจุณีนี่จะมีประชิกด้วยนะสังขาริเศษนี่มีทั้งของภิจุภิจุณีแล้วก็ปาจิ ต, ตีของพิจุก็มีของพิจุณีก็มีที่ต้องสวดสัมนุภาพสิบเอ็ดอย่างด้วยกัน อันใดอันหนึ่งแก่ทิสุและทิสุนีเพื่อจะให้มละกรรมนั้นเสียและเธอไม่มาละติยจบอนุสาวนาที่หนึ่งที่สองลงต้องถุลใ จ, จถุลใ จ, จยอย่างนี้ชื่อว่าอนุสาวนะถุลใ จ, จถุลใ จ, จนี้เมื่อจบอนุสาวนะที่สามต้องครุกาบัติคือสังคสเซหรือว่าประชิกแล้วถุลใ จ, จนั้นก็รำงับไปเองไม่ต้องแสดงอันนี้เรียกว่าอนุสาวนาถุลใ จ, จต่อไป หญิงที่ตุสงสัยอยู่ว่าหญิงหรือไม่ใช่และกำหนัดยินดีถูกต้องกายหญิงนั้นโดยกายตนต้องผุูลัจใจนี่ก็เป็นสงสัยในผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่ว่าสงสัยว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่ากำหนัดยินดีแล้วก็ไปถูกต้องนี้ตอนบัตรถุลจใจถุจใจนี้ก็เรียกว่าวิมติถูลัใจก็คือมีความสงสัยจะต้องกายหญิงกายสับสัมคะที ข, า, ขาบทงางการพิเศษข้อที่สอง ต้องด้วยความสงสัยต่อไปหญิงพิจิตตุสําคัญว่าเป็นบรรดากําหนัดยินดีถูกต้องกายหญิงนั้นด้วยกายตนต้องถุนละใจถุนละใจนี้ชื่อว่ายะถาสัญญาถุนละใจก็คือเพราะเป็นอบัตตามสัญญาความสําคัญเป็นผู้หญิงแต่ว่าสําคัญว่าเป็นบรรดาแล้วก็ไปจับต้องก็ต้องอบัตถุนละใจเป็นยะถาสัญญาถุนละใจก็ในกายยะสังฆคติขบทนั่นเอง ติสตมีความกำหนัดสรรเสริญหรือติเตียนอวัยวะหญิงเบื้องบนแต่รากขวัญลงไปเบื้องตามแต่เข่าขึ้นมายกเว้นทวันหนักทาวานเบาเสียต้องถุนละใจถุนละใจดังนี้ชื่อว่ายาถาเขตตับถุนละใจเพราะเป็นอาบาด ต, ตามเขตก็คือตั้งแต่รากขวัญไหปรนาลงไปจนตั้งเข่าขึ้นมายกเว้นอวัยวะเพศทวันห น, น, นักทวนเบานี้นี่ตาไปพูดภาพพิงติเตียนมีความกำหนัดก็ ต้องอบัตในติฆาบทตุตุละวาจาติฆาบทสังหานพิเศษข้อที่สามเต็กตุจะต้องกายบรรดาะด้วยกายของตนด้วยความกําหนัดต้องถูดจัยถุรจัยดังนี้เรียกว่ายถาวัตถุถุรจัยเพราะเป็นอบัตตามวัตถุจับต้องกายหญิงด้วยความกําหนัดก็บัตสังเหตจะต้องบรรดาด้วยความกําหนัดก็ต้องอบัตถูดจัยนะอันนี้ก็อยู่ในกายยะสามสุขานติฆาบทสังหานพิเศษข้อที่สองนั่นเองเต็กตุมีเยริญจิต จะพาธาตุเขาหนีชวนก็นดีไร่กว่าดีให้ธาตุนั้นยกเท้าทีแรกก้าวไปก็ต้องอบับดุลทุนลใจถ้จจทากาวที่สองตั้งไปกับปาราชิกเลยนะอันทุจจนละใจดังนี้ชื่อว่ายถาประโยคทุนล จ, จัยเพราะเป็นอบัตตามประโยคนนี่ก็ในอธินาทานสิขาบทปาราชิกข้อที่สองลักพาธาตุหรือว่าทั้งวัตถุไปด้วย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 ไม่เหมือนกับปาราชิกกับสัมพันธิเศษสังพันธิเศษก็สิบสามข้อของมิตุพิษณีสิบเจ็ดข้อปาราชิกของมิตุสี่ข้อของพิษณีก็แปดข้อแต่ว่าตัวละใจนี้ไม่มีกําหนดเพราะมีที่มาหลายที่สําหรับตัวละใจที่ปวดอ้างอุตริมนุสธรรมเนี่ยนะก็พูดโดยปริยายโดยอ้อมปวดอ้างแต่ว่าพูดโดยอ้อมอ้างตนเองว่าใครอยู่นี่ขันของท่านคนนั้นเป็นบุษฐานเนี่ยนะ ผู ด, ดำอ้อมเปนอุตรินุสธรรมสิขาบทในเจตุถปรราชิกเพราะฉะนั้นสําหรับถุรจใจโดยที่มานะั้นมีสามคือขันธกะถุรจใจทุนใจที่มาในขันธกะแล้วก็วินีตวัตถุถุรจใจถุรจใจที่มาจากวินิตะวัตถุเป็นตัวอย่างในพวกประราชิกกัคคฤติเศธตัวอย่างอุทางหอนนั่นเองแล้วก็วิพังฆะถุนใจก็หมายถึงการจาแนกบทในติขาบททั้งหลายวิพังฆะถุจใจเนี่ยนะ ซึ่งวิพังคตถุนใจเนี่ยก็ยังจาแนกออกไปเป็นเจดอย่างก็คืออนุสาวนาถุรนใจก็ได้แก่ธุนใจที่เกิดจากการส่วนสมนุภาพกรรมสิเอ็ดอย่างนั่นแหละอันที่สองวิมติถุรนใจก็ถุรนใจที่เกิดจากความสงสยัยเป็นผู้หญิงสงสยัยจะเป็นหญิงหรือเป็นชายแต่ว่าถูกต้องนด้วามกําหนั ก, ก็ต้องบัดถุนใจอันที่สามยถาสัญญาถุรนใจก็เป็นผู้หญิงแต่สําคัญว่าเป็นบรรเดาะเพราะฉะนั้นไปจับต้องเริ่มคันว่าเป็นบันดเดาะานนาก็ต้องบัดถุรนใจของกัน อันนี้สี่ยาถาเขตตุระใจก็พูดเคาะอายุวะเพศหญิงตั้งแต่ตากขวัญลงมาจะตั้งข่าขึ้นไปเว้นทวนหนักทวนเบาวันนี้ก็เรียกว่าเป็นยาถาเขตตุระใจต้องบัตตุรจัยของเขตอันที่ห้ายถาวัตถุตุระใจก็พวกจับต้องบันดอ้ด้วยความกาหนักบันดอนนี้เป็นวัตถุของตุระใจแล้วก็ข้อที่หกยาถาประโยคะตุระใจก็พาทาตหรือว่าไล่ให้ทาตหนียกเท้าก้าวแรกด้วยไถยจิตนะสร้างบัตตุระใจ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 เรื่องนิสสกิยาปัญตีค่อยต่อวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ก็ข อ, อมูรนาสาธุการไว้ท่านท้งหลายได้ศรัท ธ, ธาในไตรศิขาในพระธรรตร า, ายแล้วก็อบรมสีนธรรมทิปัญญาเพื่อบรรลุอริยสัจ ธ, ธรรมเพื่อกระทําที่ส่วนทางวัฏทุกขเพื่ อ, อยังศาสนาให้เจริญ ง, งอกงามรุ่งเรืองแล้วก็ทำให้ศาสนาในตนเองเจริญรุ่งเรือ ง, งก่อนแล้วก็ศาสนาภายนอกก็จะได้รุ่งเรืองตามข อ, อมูรณาสาธุการแด่ทุกท่านสาธุสาธุสาธุ